ขอความสุขความเจริญรุ่งเรืองในธรรมจงมีดแด่ท่านสาธุชนผู้ฟังทุกท่านวันนี้อาตมาภาพในนามของคณะสิทธินน์วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ในสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายมีความยินดีที่จะนำธรรมะมาเสนอแด่ท่านผู้ฟังซึ่งบางคนพอพูดถึงเรื่องธรรมะอาจจะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องของนักบวชหรือสมณะชีพราหมณ์ผู้ปฏิบัติเคร่งครัดในระเบียบวินัยจนลืมมองไปว่า จริงๆแล้วเรื่องธรรมะนั้นเป็นเรื่องกใกล้ตัวใกล้ตัวและเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับคนทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในเพศใดวดัยใดดังเช่นธรรมะบรรยายที่หลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยัมืองคโครได้แสดงไว้มีประเด็นที่น่าควรที่จะพิจารณาซึ่งหลวงพ่อท่านได้ยกสภาวะธรรมที่อยู่ใกล้ๆตัวนี้แหละมาให้พวกเราได้พิจารณา ยังอยากจะให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้ยินได้ฟังและได้ตรึกตามธรรมะซึ่งอาตมามองว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวส่วนสาธุชนนั้นจะมองว่าเป็นเช่นไรขอเชิญมาติดตามรับฟังสารธรรมจากการบรรยายธรรมของพระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณหรือหลวงพ่อพระมหาเสริมใจชัยชยะมังคโลซึ่งท่านได้บรรยายไว้เนื่องในโอกาส โครงการอบรมพระกรรมฐานรุ่นปลายปีเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมานี้ขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านมารับฟังการบรรยายธรรมในเรื่องการพิจารณาสภาวะธรรมจากหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณโดยพร้อมกั น, นทุกท่านนะไม่ได้พบไม่ได้คุยกัน ในเรื่องของธรรมะมาหลายวันมัวแต่วุ่นวายเรื่องครึ่งโลกครึ่งธรรมแล้วก็บัตรนี้กิจกรรมเหล่านั้นก็ได้ผ่านไปแล้วก็มาคุยกันสักนิดวันนี้เรื่องที่จะคุยให้ฟังนี่ก็คงไม่ใช่เรื่องอืนใดหรอก เรื่องให้เราพิจารณาทั้งสภาวธรรมดังที่ได้แนะนำแล้วในขณะเจริญพระกรรมฐานหรือเจริญภาวนาธรรมทั้งในขั้นสมถะและวิปัสสนาแต่ขณะนี้เราเน้นที่สมถะกรรมฐานให้ใจสงบจริงๆซะก่อนอยากจะให้ถึงดวงธรรมด้วยกันทุกคน ไม่ช้าก็เร็วตั้งใจทำให้ดีแล้วชาตินี้ได้เห็นเมื่อเห็นแล้วจิตหยุดนิ่งกลางนั่นเพียงชัว่วกระพริบตาเดียวอานิสงส์นับประมาณไม่ได้จึงไม่กล่าวไม่ต้องกล่าวให้มากความว่าผู้ที่เห็นดวงเห็นกายถึงธรรมกายแล้วถ้ารักษา ดวงที่ใสนั้นอยู่กายในกายให้ผ่องใสยอยู่ถึงธรรมกายให้ผ่องใสยอยู่เสมอจิตใจบริรสุทธิ์ผ่องใสเป็นมหากุศลนับประมาณไม่ได้บริรสุทธิ์ผ่องใสปราศจากกิเลสเหตุแห่งทุกข์ในขณะที่ใจอยู่ในกลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายที่ใสบริสุทธิ์ ยิ่งเข้าถึงธรรมกายให้ดับหยาบไปหายละเอียดให้หใหสบริสุทธิ์อยู่เสมอแล้วนั่นก็จะเกิดทั้งปัญญาเพราะที่ปจัจจสุที่ประโสดเกิดแล ะ, จะเจริญไปถึงพุทธจักสุดได้ทีเดียวแต่ว่าค่อยๆแนะนำกันจึงจะเข้าใจ แต่ถ้าไม่แนะนำกันให้ละเอียดตามหลักปริยัติก็อาจจะพอเข้าใจได้รู้ได้สัมผัสได้ด้วยตนเองว่าหนึ่งเป็นสุขยิ่งนักใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสสว่างสงบเป็นสุขนักนี่ลองถามโยมที่ถึงธรรมกายเขาจะบอกเดี๋ยวสุขเหลือเกินนี่อย่างหนึ่ง เพราะฉะนั้นเราจะเห็นความแตกต่างระหว่างที่กิเลสทำหน้าที่ดนจิตดนใจให้เราคิดผิดรู้ผิดเห็นผิดทำผิดพูดผิดนำคนอื่นผิดแสดงอาการออกมาเพราะกิเลสตั้งแต่ละเอียดคืออานุสัยกิเลสที่ปรากฏขึ้นพร้อมกับ อกุศลละจิตคือจิตที่เป็นอกุศลและดนจิตดนใจให้ปฏิบัติตามอำนาจของมันกลายเป็นกิเลสระดับกลางกลางและหยาบหยาบทำให้จิตใจขุนมัวไม่ผ่องใสนามเลี้ยงสีนามเลี้ยงของจิตก็จะเปลี่ยนไปตามลักษณะสีของกิเลส ด, ด้วย ตรงนี้แหละเห็นมิมิตรได้กิเลสนี่ก็เลยกลายว่าเห็นมิมิตรของกิเลสได้เห็นเครื่องหมายเครื่องบอกได้เช่นคนที่กำลังโทสะจัดในสีเขียวคล้ำนะบางทีเกือบดำเขาต้งเรียกคนใจดำเนะี่ยคนที่อยู่ในราคะก็สีชมพูอย่างนี้เป็นต้น คนที่หลงมังูมงหาหาก็จะเป็นสีเหมือนน้ำล่างเนือ้อหรือสีตะกัวตัดตะกัวตัดนี่มิฉาทิฐิเหล่านี้เป็นต้นดนจิตดนใจปฏิบัติตามอำนาจของมันคืออำนาจของความโลภตัณหาราคะอย่างหนึง่งอำนาจของกโกรธพยาบาทหรือโทสะอีกอย่างหนึง่ง อำนาจของความหลงไม่รู้บาปบุญคุณโทษนี่อีกอย่างหนึ่งและส่วนมากเมื่อกิเลสสองกองเกิดขึ้นคือโลภโกรธมันจะสัมพยุตคือรวมไปกับความหลงแล้วพลอยให้สติความระลึกเห็นทางเจริญทางเสื่อมได้ตามที่เป็นจริงนี่ก็หมดไปลองมันโลภหรือตัณหาราคะจัด ถึงขั้นจะนำไปสู่ความฟุ้งซ่านหรือโกรธพยาบาทจัดนำไปสู่ความฟุ้งซ่านและความหลงครอบงำจิตใจไปได้กันหมดเลยเมื่อคิดผิดรู้ผิดเห็นผิดทำผิดพูดผิดนำคนอื่นผิดผิดหรือหลงตามคนอื่นผิดผิดแล้วนั่นแหละอวิชชาเป็นปัใจจัยให้เกิดสังขาร ความปรุงแต่งทางกายทางวาจาและใจสังขารเป็นปิดปัดใจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณหมายถึงมาตั้งปฏิสนธิวิญญาณหรือการรับรู้ถ่ายัางไม่ตายวิญญาณเป็นปัใจจัยให้เกิดนามรูปและในส่วนที่เป็นกายในส่วนที่เป็นจิตใจหรือว่า ถ้าเรายังเป็นเป็นอยู่ก็เห็นนิมิตปรุงแต่งนิมิตต่างๆคือสิ่งที่เห็นนั่นแหละที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งทั้งหลายนั่นนะสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยเกิดสลายตนะอาญตนะภายในหกอาญตนะภายในห คือมีตาหูจมูกลิ้นกายใจรับรู้ทางประประทางประสาทตาหูจมูกลิ้นกายใจสลายตนาเป็นปัจจัยเกิดผัสสะสัมผัสกันระหว่างรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสทางกายซึ่งเป็นอายตนาภายนอกมาสัมผัสอายตนาภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจจึงเกิดเวทนา ผัสสะเป็นปัจจัยเกิดเวทนาบางทีเราได้ยินคนเขาพูดไม่ดีโกรธนั่นแหละผัสสะเสียงมากระทบประสาทหูโกรธนั่นอย่างหนึ่งหรือว่าคนพูดไพเราะไพเราะแหมชอบใจหลงเชียวหรือว่ารูปมากระทบประสาทตาถ้ารูปไม่ดีไม่ชอบใจกิริยาอาการไม่ชอบใจโกรธปรุงแต่งว่าไม่ชอบใจก็โกรธ ถ้าปรุงแต่งชอบใจก็ยินดีพอใจครื้นมองตามอย่าละห้อยเลยอย่างนี้ไหมแล้วก็ปฏิบัติตามอำนาจของมันนี่ผัสสะเป็นปัจจัยเกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาทยานอยากขึ้นมาถ้ามันหลงรักขึ้นมาถ้าหลงชังก็ทยานอยากไม่อยากเห็นไม่อยากพบ หรือไม่ก็การมาตัณหาไปเลยยินดีพอใจยึดติดทยานอยากในรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสทางกายอยากได้มาเป็นเจ้าของอยากได้มาครอบครองอยากได้สัมผัสอยากได้มีอะไรต่ออะไรนั่นแหละตัณหาเป็นปัจจัยเกิดอุปาทานการกระทายึดติด วันนี้เป็นมีแก่นสารสาระในความเป็นตัวตนเป็นสุขแน่ยังงนี้เป็นสุขเจ้ายึดติดก็กระทากรรมต่างๆดีบ้างชั่วบ้างและกรรมนี่แหละกรรมมังเข์ตังนะเกิดในนี่เลยทีเดียวตามสายปฏิจจสมุปบาทธรรมนี่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทธรรมคือเหตุในเหตุไปถึงต้นต้นเหตุที่เกิดทุก แล้วก็มีเหตุผลเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดอย่างหนึ่งเกิดจึงเกิดอีกอย่างหนึ่งอย่างนงอย่างนี้เกิดจึงเกิดอย่างนี้ต่อต่อไปนี่แหละมาถึงกรรมก็เกิดพบเกิดพบถ้าทำกรรมดีพบที่ดีเรียกว่าสุขติพบก็เกิดเกิดในธาตุธรรมยังไม่ตายเนี่ยเกิดแล้วนะคนที่กระทาดีมีศีลมีธรรมเนี่ย บริจาคทานรักษาศีลเจริญภาวนาพบเกิดแล้วนะตรงนี้เกิดตรงไหนเกิดตรงกลางกำเนิดธาตุทำเดิมนะ่ะเป็นพบที่สุขติบริสุทธิผ่องใสนั่นแหละเมื่อพิจารณาละเอียดไปแล้วนะมีสติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมกายมนุษย์ละเอียดปรากฏแล้วผ่องใสใครที่มีศีลมีธรรมขณะนี้กายมนุษย์ละเอียดผ่องใสแล้ว ถ้าเป็นคุณธรรมในระดับมนุษยธรรมมีทานกุศลศีลกุศลนี่แหละยิ่งภาวนากุศลแล้วมันขึ้นไปถึงเทวธรรมถึงพรหมธรรมถ้าใครมีหิริโอตตปะเรียกว่าหิริโอตตปะมีความละอายมีเกรงกลัวต่อบาปอกุศลเพิ่มก็ไปอีกนั่นเทวธรรมกายทิพย์ก็ปรากฏ กายที่ปรากฏดวงธรรมที่ทาให้เป็นกายหรือธรรมในธรรมมีขันห้าอายตนะ12บธาตุสปอินทรีย์นั่นแหละและอริยสัจสปฏิจะสมุปบาทธรรม12มก็มีเรื่องพบเรื่องชาติสุขติพบก็จะเกิด อยู่ในดวงธรรมนะเป็นดวงธรรมที่ใสดวงธรรมที่ใสภูมิจิตก็ใสเห็นจำที่ยรู้ก็ใสนี่นั่นในระดับเทวธรรมถ้าได้ฌานสมาบัติก็เป็นพรหมธรรมได้ฌานสมาบัติประกอบด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาตั้งแต่ผสมฌานขึ้นไปเรื่อยๆกายพรมก็ปรากฏอยู่ข้างในเราเองแต่เราไม่เห็นพบเกิดแล้วสุคติพบ นี่คนมาปฏิบัติธรรมแล้วคนไม่ปฏิบัติคิดผิดรู้ผิดเห็นผิดแม้พอไปคุยเข้าอย่างเดียวสองอย่างโอ้โหมันไปใหญ่ไปโตเลยนั่นแหละคนภายนอกไปใหญ่ไปโตทุกขติเกิดสุขติเกิดอย่างไรทุกขติก็เกิดตรงกันข้ามกันแทนที่กายในกายกายมนุษย์จะผ่องใสกลายเป็นกายส้อมซอกลายเป็นกายส้อมซ่อเศร้าหมองเป็นกายเปรตก็มี กายสัต์นรกก็มีก็เหมือนคนนี่แหละแต่มันซ่อมซ้อนั่นแหละธาตุธรรมข้างในเป็นทุกติภพแล้วตามสายปฏิจจสุบาทธรรมทันทีที่จิตกระดิกไปไหนมาไหนไปดีไปชั่วเกิดดับเกิดดับอยู่ตรงนี้เห็นได้คนที่ถึงธรรมกายเนี่ยเห็นได้เห็นได้อย่างนี้เป็นต้นอัตมาจะเล่าตัวอย่างเห็นได้ให้เห็นสักอย่างหนึง่ง มีโยมคนหนึ่งแกเป็นอายการเป็นอายการผู้ใหญ่ลูกชายก็เล็กๆลูกชายถึงธรรมกายแต่ยังไม่เดียงสาก็พอรู้ๆธรรมดาหน่อยอายุสิบกว่าขวบตอนนิ่โตแล้วนะเป็นหนุ่มแล้วแม่เป็นหมอแม่ถึงธรรมกาย พาลูกมาปฏิบัติถึงธรรมกายแต่พ่อไม่เชื่อพ่อไม่เชื่อที่ไม่เชื่อเพราะอะไรเพราะว่าเห็นเวลากระผมสอนสอนไปแล้วสอนไปสอนไปก็บอกกันไปนั่นก็ทําได้ไปแกก็เลยไปนั่งไม่เข้าใจว่าอ้าวเมื่อได้อปปนาสมาธิแล้วหูเหงืองไม่ได้ยินแล้วสิทำไมต้องมาพูดกันอีกเขาไม่รู้ว่าสมาธิก็สมาธิ ศีล ส, สมาธิปัญญามันรวมกันทั้งหมดมันทําให้ถึงธรรมกายเมื่อถึงธรรมกายแล้วไม่ใช่วจะนั่งแช่อิ่มอยู่อย่างนั้นไม่ได้ยินไม่รู้ไม่เห็นอะไรไม่ใช่ถึงธรรมกายแล้วลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นที่เขาถึงแล้วเขาเป็นน่ะเป็นธรรมกายเขาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดออกมาเขาเข้าดิ่งไปแล้วมันเป็นนิโรธมันไม่ใช่เป็นชานตัวเขาไม่รู้ เพราะเาอ่านแต่ตำราเพราะเป็นนักกฎหมายนี่พวกอ่านตำรานะ่ยวิบบอกแล้วเคยพูดมาครั้งหนึ่งว่าอ่านตำราเฉยๆวิพาคษวิจารณ์เรื่องธรรมะสูงๆผิดเพราะเข้าใจผิดเพราะไม่เข้าใจลึกซึ้งไปถึงเนื้อหาในจิตใจนะเป็นยังไงที่เขาปฏิบัติแล้วเขาทําใจไปถึงอย่งงางนั้นอย่งงางนั้นเป็นยังไงคนถึงธรรมกายเป็นยังไงถ้าถึงจริงเนะี่ยมันมีถึงจริงถึงบ้างไม่ถึงบ้างจริงบ้างไม่จริงบ้างเออ หรือบางทีถึงเดี๋ยวก็หายเห็นเห็นหายหายมันยังไม่มั่นคงอันนี้เราต้องยอมรับตรงนี้ก่อนเพราะระดับขั้นของการบรรลุคุณธรรมเนี่ยมันบรรลุเป็นชั้นๆ้นไปวะชั่วคราวแล้วก็จะถึงถาวรเป็นชั้นๆั้นไปมรรคผลนิพพานที่เป็นระดับระดับไปตามระดับภูมิจิตแกไม่รู้แกนึกว่าเมือนั่งแล้วถึงอัปปนาสมาธินี่ได้ปฏิภาคานิมิตอัปปนาสมาธิแล้วหูเหืองไม่ได้ยินน่ย ทำไมถึงมาพูดกันได้ยาว่าแต่มานั่งหลับตาเดินมันก็เห็นน่ะเขาไม่รู้และเขาดับยาบไปหาละเอียดเดียวๆ เ, เข้าไปสุดละเอียดเลยแล้วเมื่อเขาแววนิดนึงเขาถอยมาหยาบมันเป็นอัตโนมัติเขาก็รับฟังได้พูดกันรู้เรื่องแกก็ไม่เข้าใจแกก็ไม่เชื่อทีนี้อยู่มาวันหนึ่งเด็กมันก็นั่งเล่นอยู่กับบ้าน ไอพ่อก็คงไปงานปาร์ตี้กลับมางานกินเลี้ยงก็กินเหล้านั่นแหละคนกินเหล้าแล้วเป็นยังไงละ่ะกินเหล้าผิดศีลข้อสุราเม เ, เวนสุราเมามาหน่อยดึ่นี่ผลเป็นยังไงพอมาถึงไอลูกก็นั่งเล่นอยู่พ่อไปทำอะไรมาเหมือนไก่ตกรางฐานนี่เด็กทักอย่างนี้นะ พ่อ <P aper> ไปทําอะไรมาตัวดําเหมือนไก่ตกรางฐานคือแม่ไก่เวลาบางทีไปหาที่ไขไ่ไปตามไอ้รางฐานออกมาก็มาหลอกมาแหลกไก่ขาวก็ดําๆนั่นแหละไอ้ลูกมันทักอย่างงั้นทักและแถมยังไม่มองหน้าพ่อเดีมันมองแว บ, บเดียวนล้วก็ก็นั่งเล่นต่อไปไอ้พ่อก็เลยมาได้คิดเขาเป็นนักกฎหมายเออนี่ลูกมันเห็นกายละเอียดเราซะแล้ว กายละเอียดเรามันดำขมุกขมัวไอ้ลูกมันบอกกับพ่อไปทำอะไรมาเหมือนตัวเหมือนดำเหมือนตกรางฐานถ้าทำข้างในมันเปลี่ยนแปลงตามสายปฏิจจสมุปบาทธรรมอวิชชาเป็นปัใจจัยให้เกิดสังขารวิญญาณ น, นามรูปไปถึงกิเลสตัณหาอุปาทานพบชาติเกิดแล้วข้างในเกิดแล้วเป็นอีกกายใหม่แล้ว กิริยาอาการก็คนเมาถึงไม่เมามากก็ตึงๆหน้าแ ด, แดงๆหน้ากำกำกายในกายส้อมเศ่อาเศ้ามองแล้วเป็นกายทุกขตินาเป็นกายสัตว์นรกน่ะไม่มีใครเขารู้น่ะนี่แหละปฏิบัติธรรมกายดีอย่างนี้นี่คนเขาไม่รู้เอาไปโจมตีไอเจ้านั่นบาไปไม่รู้เรื่องเลยแค่ไหนถ้าตีเรื่องวิชาธรรมกายแล้วก็ไม่รู้จริงแล้วตีแล้วสวัสดีทุกรายนะ ถ้าเรื่องอื่นใครผิดใครไม่ดีผิวผิวไปตีเขาได้ไม่เป็นไรแต่อย่าไปตีวิชาธรรมกายบอกแล้วนี่เพราะเขาไม่รู้ช่วยไม่ได้นี่เด็กพอเด็กทักบับพ่อเป็นนักกฎหมายเป็นอายการใหญ่ได้สติทีนี้ก็วิ่งมาหาอาัตมาเลยมานั่งธรรมะใหม่นี่ก็เป็นอุทาหรณ์เล่าให้ฟังว่านี่คือการมีสติพิจารณา เห็นธรรมในธรรมคือปฏิจจสมุปบาทธรรมนี่เห็นอย่างนี้ไม่ใช่มานั่งท่องว่าอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณนามรูปมานั่งอธิบายกันใหญ่โตคนถึงธรรมกายก็เห็นเลยนี่แหละเป็นการเจริญปัญญาด้วยการที่ได้ทั้งเห็นและรู้ส่วนการจะวิเคราะห์รายละเอียดในธาตุธรรมนั่นเป็นผลของผู้เข้าถึงแล้ว เขามาเล่าให้ฟังพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วทรงเห็นแล้วทรงทราบแล้วแล้วมาเล่าให้เราฟังเหมือนรายงานผลการวิจัยนี่เป็นอย่างนี้คนไม่รู้นี่เรียนเดี๋ยวนี้เรียนตหลักปริญญาตวิธีปฏิบัติให้มันลึกซึ้งลงไปไม่ได้ปฏิบัติถึงเพราะฉะนั้นก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ นึ ก, กว่าตัวเองเก่งเต็มประดาที่แท้สู้เด็กแค่นั้นไม่ได้เด็กมันเห็นเพียงแต่มันไม่รู้หรอกว่านั้นคือปฏิจจสมุปบาทธรรมมีสติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือปฏิจจสมุปบาทธรรมเด็กไม่รู้หรอกเด็กไม่เคยเรียนรู้แต่เด็กรู้แล้วว่าพ่อไปผิดศีล ม, มากลายเป็นกายทุ ก, กติดวงธรรมก็คือธรรมในธรรมนั่นแหะชาติเป็นทุ ก, กติใจเป็นอรรกูสลจิต เป็นอย่างนี้เด็กรู้เหมือนโยมนี่ก็หลายคนถึงธรรมกายก็รู้รู้อย่างนี้แต่ให้มาพูดเรื่องธรรมะพูดไม่เป็นพูดไม่เป็นแต่เขารู้อย่างนี้เพราะฉะนั้นอาตมาเองเนี่ยถึงว่าต้องเรียนรู้หลักปริยัติด้วยมันคืออะไรและปฏิบัติไปแล้วเป็นยังไงนี่จึงเข้าใจอย่างนี้ พอเข้าใจแล้วก็ถึงบางอออ๋ออย่างนี้นี่เองนี่อัตมาถึงบอกก็ผมถึงบอกพระคุณเจ้าว่าบรรดาที่ชอบวิจารวิจารน่ะรู้จริงน่ะมีน้อยปฏิบัติเข้าถึงรู้เห็นและเป็นจริงจริงรู้จริงน่ะมีน้อยพูดตามเขามากนักพูดนักวิจารเต็มไปหมดและเก่งเหลือเกิน แต่ว่าปฏิบัติให้เข้าถึงรู้เห็นและเป็นจริงๆมีน้อยจริงๆแล้วก็เป็นอย่างที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านกล่าวไว้คนที่จะวิภากวิจาร์จริงจริงถ้าได้ลองมาประพฤติปฏิบัติก็จะรู้จะเห็นจะเข้าใจตามแนวทางของการประพฤติปฏิบัติธรรมซึ่งหลวงพ่อก็ได้แนะนำเอาไว้ดังที่อาตมาได้กล่าวตั้งแต่เบื้องต้นแล้วว่าเรื่องธรรมะนั้นเป็นเรื่องใกล้ตัว เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นที่เราทุกคนจะต้องศึกษาปฏิบัติสำหรับธรรมะเรื่องนี้ยังไม่จบเลยทีเดียวอัตมาจะนำเสนอในตอนต่อไปแต่ก่อนที่จะจากกันวันนี้ทางรายการขอเชิญท่านสาธุชนมาฝึกปฏิบัติภาวนาธรรมวันละนิดเพื่อชำระจิตใจของเราให้ผ่องใสโดยที่ท่านสามารถที่จะปฏิบัติตามได้ก็คือ เตรียมตัวนั่งในท่าคัดศมาธิแล้วกำหนดคือท่าคัดศมาธินั้นให้เอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางอยู่บนมือซ้ายนิ้วชี้ขวาให้จดุดหัวแม่มือด้านซ้ายแล้วตั้งกายของเราให้ตรงดำรงสติให้มั่นคงกำหนดเห็นดวงกลมใสไปปรากฏที่กลางท้องของเรา พร้อมกับจุดเล็กใสยอย่างเล็กเท่าลูกตาดําของเราแล้วท่องสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรังตรงจุดเล็กใสกำกับใจของเราไว้จนกว่าใจของเราจะหยุดจะนิ่งแล้วสาธุชนก็ปฏิบัติไปตามอัธยาศัยจนกว่าที่เราจะรู้สึกว่าพอและสาหรับวันนี้ นี้คือวิธีการปฏิบัติภาวนาธรรมเบื้องต้นที่ทางรายการนำมาฝากท่านสาธุชนเพราะว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นเป็นเรื่องจำเป็นเป็นเรื่องเป็นจิตสำคัญที่ทุกคนจะศึกษาเพื่อเป็นแนวทางแห่งการดับทุกข์สำหรับตัวท่านเองวันนี้ทางรายการก็นำเสนอธรรมบรรยายของประเด็จพระคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณ และยังเชิญชวนสาธุชนฝึกปฏิบัติภาวนาธรรมไปเรื่อยๆเพราะว่าไรเพราะชีวิตของคนเรานั้นไม่ยั่งยืนโอกาสที่เราจะได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมนั้นมีไม่มากนักฉะนั้นก็จงอย่าประมาทมัวเมาหลงระเลิงในชีวิตว่าเราจะมีอายุยืนยาวเพราะเราจะตายวันตายพรุ่งไม่รู้ที่ฉะนั้น สาธุชนก็จงมันศึกษาและปฏิบัติธรรมตามคําแนะนําที่ได้กล่าวไว้แล้วเบื้องต้นสําหรับคลาต่อไปก็จะได้นําธรรมะปฏิบัติโดยเสียงของพระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธิกุลมานําเสนอในโอกาสต่อไปสําหรับวันนี้รายการธรรมะส่สันติก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้ขอเชิญท่านสาธุชนโปรดติดตามรับฟังธรรมะบรรยายในเรื่องการพิจารณาสภาวะธรรม ต่อได้ในตอนต่อไปขอความสุขความเจริญและความรุ่งเรืองในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทุกท่านเทินเจริญพร